พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสังตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าตรวจตัวเองว่าเป็นปุถุชนหรืออริยะบุคคลวันนี้เป็นวันที่22 สิงหาคมพุทธศักราช2560เป็นวันลงอุโบสถของพวกเราเพิ่งลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้ท่ า, าจะว่าไปวันพระขเมื่อวานเป็นวันเดือน9ก้าดับแต่วันอุโบสถตกวันนี้วันขึ้นหนึ่งค่ำ เ, เดือน10บเราก็ตอนเที่ยงเราก็ได้ลงอุโบสถ พระวันนี้ทราบว่านับ44รูปองค์ที่ไปเฝ้าป่วยก็มีองค์ที่ไปเฝ้าวัดอื่นก็มีก็เลยขาดไปแต่ที่ยังไงก็นี่แหละพระในวัดของเรามีมากแล้วก็ผมเองถ้าว่าผู้ใดพวกพระลูกหลานมีความสามารถที่จะพิมพ์หนังสือเหมือนกับสันตุจโกวาด คัดหนังสือเอ็มพีสามของผมแต่ผู้พาลูกหลานองไหนมีความสามารถแต่ผมอยากจะให้คัดหนังสือของหลวงตานะอ่านหนังสือของหลวงตาสู้ไม่ถอยบังอวกาศของจิตอวกาศของธรรมบางธรรมะชุดเตรียมเตรียมพร้อมว่างบางังหยดน้ําบนบนใบนบัวประวัติของหลวงตาบ้างเลือกหนังสือหลายๆอย่างของหลวงตา ถ้าพวกเราอ่านดูแล้วข้อความไหนที่ประทับใจพวกท่านพวกท่านเขียนเลย เ, เขียนลงใส่ใกระดาษาแล้วก็บอกหน้ากระดาษ ด, ด้วยทั้งสือเรื่องอะไรด้วยเทศที่ไหนด้วยนะแล้วก็ให้ได้หน้ากระดาษหนึ่ง ใ, ในข้อความในข้อความนี่แหละหลวงพ่ อ, อยากจะให้อยากจะได้จุดนั้นละ่ะจากนั้นหลวงพ่อจะเอา เข้าไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ให้เขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยว่าผมพระชื่อนามชายาได้คัดดูเมื่อวันที่เท่านั้นตท่นี้เขียนนะะไปพิมพ์พอไปพิมพ์กระดาษเป็นแผน่นพุ่งแผ่นไว้แล้วแล้วก็เอามานี่แหละดีกว่าพวกเรานั่งคิดจุกเจ่ายู่เฉยๆต้องคน้นคว้าหนังสือธรรมะเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะทุกหลานนะพระทุกองนะจากนั้นเราก็จะเอาเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เอามาคัดเลือกดูทีใครมีความเห็นอย่า ง, งไหนอย่างไรในความคิดเห็นนั้นหลวงตาสมบัติไปนั่งคัดอยู่ที่วัดห้วยสวกใครแค่ว่าปรีตัวไปแล้วก็ไป น, นั่งคิดคัดหนังสือธรรมะของหลวงตาพวกนั้นพวกเราเนี่ยเหมือนกัน พระนวะกักกะน้อยหนุ่มทั้งหลายอหนังสือธรรมะค้นคว้าแล้วแต่จะไปเอาพระไตรปิฎกนะเอาเป็นธรรมของหลวงตาเท่านั้นหนังสือของหลวงตาเพราะนี้เราจะจะได้หนังสือกติธรรมของหลวงตานะ่เ อ, อาจจะมาใส่ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกหลานทุกองค์เนะให้ช่วยๆกันดูในเรื่องนี้นะ แล้วก็เรื่องปาณะ น, นะปาณะที่พวกเราฉันเนี่ยจนะยไปฉันส่ม 4, สี่สมห่านะพระเก่าต้องประชุมกันนะหารือกันนะอันไหนมันผิดวินัยอันไหนมันถูกทุกวันเนี่ยดูดูแล้วมันอะไรจะเป็นปาณะไปทั้งหมดนะดูดูเราผมเห็นนะผมไม่สบายใจนะลูกหลานนะบางทีไปเห็นอินทพารำบ้างอะไรบ้างสาหลายบ้างอะไรเป็นปาณะทั้งหมดเลย ดูๆแล้วทำไมมันคักจะเกินไปเฉยแล้วแล้วก็จริงไหนที่ควรประเคนหรือไม่ควรประเคนถ้าเราฉันไม่หมดอยากประเคนเอาไว้เก็บไว้ก่อนแล้วต่อมาอันไหนใหม่อันไหนเกา่าเราก็เอาของเกา่ามาทยอยมาประเคนเคนเคนให้หมู่เพื่อนได้ฉัน้าวกว่าพวกเราไม่รักษาวินัยล่ะ ต่อไปภายภาคหน้าะเละตุ่มเป๊ะนะเละนะเละนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอันไหนคือปานะอันไหนไมันคือไม่ใช่ปลาปานะน ะ, ะให้มาปรึกษากันก่อนถ้าสงสัยแล้วให้ไปชุมกันพอไปชุมแล้วมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะเป็นผู้ตัดสินนะอย่างดอกเมถทานตะวันหลวงพ่อว่าไม่อย่าไปฉันเนอะดูดูแล้วมันอย่างไงอย่างไงอยู่ออย่าง คอบฟรีเมดก็เหมือนกันคอบฟรีเมดดวงตานะั้นไม่ฉันนะหลวงพ่อบอกเออจะไปฉันนะคอบฟรีเมดนะในวัดของเรามันของดื่มทั้งมีทั้งเยอะแยะไปเชีงเรานี้ให้พวกพระเก่านะเป็นหูเป็นตาแทนปฏิปทาเรื่องแนวทางในวัดเราเนี่ยทำอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายถึงต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะถ้าพระเก่าไม่ได้เรื่องจะทํำยังไงพระรุ่นเก่าไม่ได้เรื่องเสียหายหมด หลวงพ่อสอนว่ายังไงมันไม่ยึดแนวแถวน่ะมีแต่ไล่หนีลูกเดียวเท่านัะนะต้องให้ไล่ภาคเก่าหนีซะก่อนจึงต้องตั้งต้นใหม่เอพราะ็ะไรเพราะภาเก่ามันทําเสียหายเออสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะเรื่องปานะนะต้องรอบรอบครอบนะอยามะกกาล็กยาวะกาลิกสัตหากาลิกยาวะชีวนะเวอกอกาเล็กสี่อะไรมีอะไรได้อ่านให้ศึกษา แล้วจะนำจากนั้นก็นมาปรึกษากันนะมาปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไง อ, อ, อันไหนควรเป็นปานะอันไหนไม่ควรเป็นปานะในวัดของเราอันไหน ร, รับประเคียนไว้ยังไงเราต้องแนะบอกกล่าวพระใหม่ที่เป็นอยู่ที่โรงน้ำํำที่เป็นเข้าเวรกันต้องมีพระองค์หนึ่งลนะ่ะที่เป็นผู้มีมีอายุรู้เรื่องวิเนยอยู่ในนั้น ไม่ใช่ว่าอะไรก็จับไปหมดจับดะไปหมดไม่ได้นะแล้วก็พร้อมกันในวัดของเราเนะี่ยองคไหนจับเงินนะไม่ให้ลงอุโบสถนะนะถ้าองไหนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยในย่ามต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกนะ่ะองคไหนรู้นะ่ะอย่ากไม่ให้ลงอุโบสถไม่ให้ลงอุโบสถท่างเพราะมันเป็นมณฑินแสดงอาบัตไม่ตกผู้ที่มีเงินอยู่ในอยู่ในตัวของของององนั้นนะ่ะให้บอกกันนะ พูดเป็นเล่นไปได้นะให้เอาออกองไหนมีนะเะพราะมันเป็นอาบัตสังเป็นว่าทาให้เสียสละไม่มันไม่แสดงอาบัตไม่ตกเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายดูกันรู้กันถ้าทาลงองโวสดกพระที่ไม่มีศีล เ, เป็นสภาคาบัตแล้วเป็นอาบัตอยู่ในตัวแสดงอาบัตไม่ตก น, ะนี่แหละการลงปฏิโมกข้องเราก็เป็นหมนทินเหมือนกันนะ ลงอุโบสถกับพระที่ไม่บริสุทธิ์ในศีล เ, เหมือนน้ำทะเลน้ำทะเลต้องเป็นน้ำสะอาด อ, อ, อันไหนที่ไม่มันอยู่ในกาทะเลมันจะซัดเข้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันพระที่ไม่มีศีลยูนด้วยกันมันอยู่ด้วยกันลำบากนะต้องดู อ, อ, องค์ไหนที่ยุ่นมีอย่างนั้นนะใ ห, ให้บอกให้ไปดูที่พุงพ่อพูดนในพระวินัยจุดนี้นะให้ดูือให้ชัดเจนเถ้าว่าดูแล้วนะเป็นยังไง ปปรึกษากันบอกกันบอกกล่าวกันอย่าให้ผิดทำผิดวินัยเพราะวินัยนะั่นแหละเป็นหัวใจสินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐคดยังอยู่ตราบนั่นนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้นะแล้วก็การอยู่ด้วยกันมากมายหลายองค์ให้รักเมตตากันนะไม่ใช่ว่ารักจนคอเกียร์กันไปที่ไหนก็ น, นั่งคุยกันทั้งวีทั้งวัน มันก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเป็นพระนะให้รักเคารพกันโดยธรามวินัยต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่า ง, ง, าง เ, าเล่งความภาคเพียนของใครของเร า, เ อ, าอย่าไปั่วสมคุยกันอย่าไปตั้งกองตั้งแก๊ง อ, อย่าไปเอาน้ำรําน้ําช้อนร้อนน้ําช า, าไปกินที่กุฏิแล้วไปนั่งสมหัวกัน อ, อย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่แนวปฏิปทาของวัดผมไม่ใช่แนวปฏิปทาของหลวงตา เราเอามาฉันที่โรงน้ําร้อนเพียงพอฉันที่นี่พอแล้วนะอฉันให้เพียงพอไม่มีการกีดกันว่าฉันน้อยฉันมากฉันเพียงแค่นี้พอแล้วเราบวชมาเราไม่ได้บวชาเพื่อปากเพื่อท้องนะเราไม่ได้ม า, มาบวชมาเพื่อหายอยู่หากินถ้าเราอยากจะอยู่จะกินเราจะบวชทําไมจะมาอยู่อย่างนี้ทําไมเรามาอย่างนี้ก็มาเพื่อฝึกหัดดัดนิดสยัยตนเองแล้วก็พระเก่าก็ต้องดูนะ เป็นพาพระใหม่ทำพอพระเกา่าพระใหม่ราชขาไปแล้วดูถูกตัวเองเลน้คู่บาสนี่ไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรเลยไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธาทำไปมั่วไปหมดเลยเมื่อเราเมื่อเราไปอยู่ด้วยกันนะพาทำอะไรสิ่งที่แปลกแปลกมันไม่ใช่ของดีนะพวกท่านทั้งหลายนะเสียหายต่อพระพุทธศาสนาแต่เสียหายต่อ ว, วงการเสียหายต่อ ว, วัด หลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่า ง, งานั้นเพราะนะั้นเขาให้พวกเราพระเก่าทุกองค์ตรงเป็นหลักให้พระใหม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเพราะเราก็มาได้ศึกษานานแล้วมาศึกษาก็อยู่กับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสอนหมดทุกอย่างแล้วอันไหนดนะีมีแต่ของเลวๆหลวงพ่อไม่สอนอย่างดวงตามหาบัวท่านว่านะอะไรเราก็สอนให้หมดสิ่งที่มันดีเราจะไม่ได้สอนให้ไปกินขี้เท่า น, นั้นแหละ ลงตามหาบัวว่าเราไม่ได้สอนให้ไปกินขี้ถ้าสอนกินขี้เนี่ยเหมือนสอนวิชาหมาสอนวิชาคนวิชาเฉลียวฉลาดรอบรู้นะเราสอนให้หมดเราไม่มีก ร, ร ม, มืออยู่ในอาจารย์พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นี่แหละเพราะนั้นพวกเธอท่านทั้งหลายจะไปทาทาไมละ่ะวิชาที่ครูบาอาจารย์ไม่สอนวิชาเร็วๆทำได้ยังไงนะ นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็พร้อมกันที่พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลายหลายองค์ทั้งพระเกา่าพระใหม่ทั้งปริญญาตรีโทเอกฮมีหลายระดับผ่านการศึกษาผ่านการทําการทํางานมาเขมากอที่มาอยู่กับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อพูดตอนเช้าเป็นยังไงหลวงพ่อก็จะจะถามพวกเธอท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันนั่นแหละโอ้หลวงพ่อเนี่ยพูด ลำลี่ลำลายพูดหนักไปทางไหนทางทางไดข้างไหนข้า ง, า ง, า ง, า ง, างนึ่งไม่น่าจะพูดหลวงพอ่อทาให้เสียหายนะถ้าไม่กล้าพูดต่อหน้าหลวงพอ่อเขียนตัวหนังสือให้องค์อื่นหรือกใกล้เตือนมาก็าได้หลวงพ่อยินดีรับฟังแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อมั่นใจที่หลวงพ่อพูดออกไปนีเ่เพื่อศีลเพื่อธรรมแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับ วิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะหลวงพ่อไม่พูดก็ดูรูวแล้วองค์ไหนก็ไม่ไม่ค่อยมีองค์พูดแต่หลวงพ่อก็อยากจะขอร้องเหมือนกันนะให้พวกน้องๆทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาช่วยๆกันโปรโมทเพื่อสร้างเจดีย์วิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเมื่อสร้างแล้วไม่เป็นของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของหลวงตาอยากจะให้พวกน้องๆทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ยของหลวงตานะ มองด้วยเหตุด้วยผลเนี่แหลวงพ่อก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้หลวงพ่อเองกดเน้นหนักเรื่องนี้เพื่ออยากจะให้เจดีพิชภัณฑ์ของโรงตาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะหาใสพกใส่ห่อตนเองถึงจะได้กําไรขนาดไหนก็ได้กําไรเถอะนะขนาดบริษัทที่เขาทํากําไรกําไรยอดสุทธิก็งคงจะไม่ถึงห้สิบล้านนะนี่แหละเงิน อาเทียวกว่าจะเถอว่าแต่ก็แต่หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยจะหาได้กําไรถึงห้าสิบล้า น, นอ่ะคงไม่ได้แล้วไป อ, อะไรพอหลวงพ่อเสียสลาดห้าสิบล้านเนี่ยถึงยังไงยังไงอมันก็ตอ้องนี่แหละเพื่อปูชาพระคุณหลวงตาเท่านั้นแต่เราได้ปัจจัยมาได้จากใครเราก็ไม่ได้ทํามาค้าขายเราก็ไม่ได้ทําอะไรมีต้องลูกน้องบริวารสัตยาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้อง เขาถวายมาเราขอรับให้เป็นก้อนแล้วก็มอบให้แต่เราก็มั่นใจน้ํามั่นใจในลูกศิษย์ลูกหาของเราพราะเราเคยพาทำเคยหาทองคําเข้าคลังหลวงมาแล้วะลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ก็เป็นผู้มีจัทตาในพระพุทธศาสนาจัตธาในองค์หลวงตาหลวงพ่อจึงได้รับว่าเป็นไปได้นะหลวงพ่อไม่หนักใจหลวงพ่อจึงได้ประกาศได้บอกกล่าว คนนัพระสงฆ์ทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่ได้ฟังหลวงพ่อนะให้ให้ฟังเอาไว้พอจบสามเดือนออกพรรษาแล้วก็คงกระถินเสร็จแล้วก็คงจะไม่มีอะไรละอพอได้ถอดกรถินป่าป่าไปแล้วนะในช่วงนี้หลวงพ่อก็พูดเป็นบางครั้งบางวันแต่พวกเราท่านทั้งหลายอย่ารับขานนะถ้าหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อพูดเออเอาเป็นแนวเทคนิคอันนึง ประชาัมพันธ์ให้กู่คนทั้งหลายได้รับรั บ, รบทราบนะพอเราคิดแต่เพียงแค่นั้นแหละแต่มันไม่ใช่ทางมรรคผลทางมรรคทางผลอะไรหรอกเรื่องอยู่ในโลกเรื่องสร้างนั่นแต่มรรคผลจริงๆเนี่ยหลวงพ่อก็สอนวิธีการภาวนาทำยังไงอยู่ตามลําพังทํำยังไงอยู่กับหมู่กับเพื่อนทํำยังไงวิธีการอยู่อย่าไ ป, าไปคุกคเรกับหมู่คณะนะ ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะกอยู่กับตัวเองอยู่ในสถานที่ใดให้มีสติแล้วก็ให้ภาวนาภาวนาของพระคืออะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักเป็นสมัทธะคือเป็นสมาธิจากนั้นก็พิจารณานะพิจารณาร่างกายกายของเราเนี่ยตายแน่แนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ไม่รู้จะตายวันไหนตายแน่แนะ แต่เมื่อตายแล้วเราสภาพจิตใจของเราอยู่ในสภาพไหนเดียวนี้เรามั่นใจหรือยังเราเป็นพระอรหันต์หรือยังเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาตกระตาอนาคารหรือยังเราอย่ า, ง เ, ายงเป็นปุถุชนอยู่เมื่อเรายังเป็นปุถุชนเราจะพิจารณาอย่างไรในเมื่อเรามาบวชอย่างนี้แล้วเรามาได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วเราได้รู้แจ้งเห็นจริงเราศึกษาดูแล้ว นี่แะให้ศึกษาถ้าเรายังไม่เชื่อมัน่นเอ๊ะตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเนี่ว่าท่านก็บอกว่าให้ภาวนานะทําจิตใจให้สงบนะเอ๊ะจะทำอย่างไรจิตใจจึงสงบจึงจะสงบจิตใจจึงจะเป็นหนึ่งได้แล้วก็ภาวนาที่เร่งที่เร่ ง, งวันเร่งคืนเร่งเดือนเร่งปีออดอาหารบ้างพออาหารบ้างอดนอนบ้าง อ, อไม่ต้องพูดคุยหรือดูนั่งเอาสติจับจิตอย่างที่ว่านะ่ะเหมือนกับเรา ล่ามเชือกควายลักษณะอย่างนั้นนอ่ะควายตกก่อยแล้วควายปล่อยเป็นควายป่าควายเถิ่อนใช่ไหมมันจะไปที่ไหนก็ไปแต่บันนี้เราพยายามจับควายให้มันคุ้นเชื่องใช่ไหมจับควายมาแล้วก็เชือกมัดคอมันคอควายอที่แรกมันก็นอนหลับฮะสะติ ล, ล่องเราเผลอไปควายมันก็ออกไปอออกไปหากลิ่นเอาดึงลากเข้ามาสติดึงอเข้ามา พรมันขยับลงไปดึงลากออกมาใกล้เข้าใกล้เข้าผลที่สุดมันก็คุ้นเชื่องผลทีสุดมันก็นอนนอนก็คือจิตสงบใช่ไหมจิตใจมันไม่ออกไปเที่ยวเพ่นผ่านใจของเราไม่ออกเที่ยวเพ่นผ่านคือใจมันมันอยู่กับที่นั่นคือว่าจิตใจจะสงบจากนั้นจิตใจมันก็เน่งพอเน่งเสร็จแล้วเราก็เห็นเห็นจิตใจมันสงบเพราะมันจะขยวดขยับขึ้นมาอีกสติแล้วก็ทันเองดึงลากมันมาเอง อย่าให้มันไปเกินไปจากนั้นก็ให้มันหากินหญ้าตามที่เราต้องอยากอย่ให้มันอยู่กินหญ้าที่ไหนมันดกหญ้าที่ไหนที่มันดีเอาจูงควายไปกินจุดนั้นให้มันอยู่ในจุดนั้นนี่ก็เหมือนกัน่ะในเมื่อเราพิจารณาเมื่อสมถะคือทําจิตให้สงบแล้วน่ะเพอาะจิตสงบแล้วพอมันจะเชือกมัดคอมันจะให้มันกินหญ้าที่ไหนยกกันเจี๋ยนะเราจะเอาไปจูงไปกินหญ้าตรงนั้น่ะตรงที่มันหญ้ามันดีที่มัน อุดมสมบูรณ์จากนั้นั่นกให้มันกินหญ้าจุดๆนั้นนี่ก็เหมือนกันเราเมื่อมีสติแล้วเน่เราจะให้พิจารณาวิปัสนาตรงไหนพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาธาตุขันธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ให้มันพิจารณายุดจุดนั้นให้มันเห็นจุดนั้นนี่แหละให้ควายมันกินหญ้าจุดจุดนั้นให้มันเห็นจุดจุดนั้นมันจะมีประโยชน์เลอจากนั้นกับควายตันั้นมันจะ สมบูรณ์ขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงไงนะจากนั้นใจของเราควายตอนนัน้นอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ใจของเราก็เหมือนกันอุดมสมบูรณ์เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นพระรหัน์ได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็ให้พิจารณาถึงวิปัชนาร่างกายสังขารเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายอันนี้ อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละเมื่อจะต้องทิ้งกันแน่เนอไม่รู้ว่าเราหลงเนี่ยหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราในเมื่อตรงว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราเราหลงมันะหลงโลกหลงทางไปเรื่อยแล้ยเพราะฉะนั้นเราให้ดูกายดูใจของตนเองกายของเราอีกสักวันนึงเผาไปทิ้งแน่เราเคยเผาไฟไฟมีลูกกี่องค์ติกี่คนมาแล้ว แต่วันอีกสักวันหนึ่งเขาต้องเผาที่เผาเอาเราไปเผาทิ้งแน่แน่แต่ใจของเราจะออกไปจากล่างออกไปที่ไหนเนี่แหละอันนี้เราต้องพิจารณากัรกรองไตรตรองแยกแยะนะให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นเมื่อใจของเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละตัวเนี้ย ดูดพ้นจากอาสวะกิเลสจุดนี่แหละเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของพระอริยะเจ้าทั้งหลายถ้าวาอยู่ในวกวนเวียนตายอยู่ในโลกกายเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารมันมีแต่เรื่องทุกข์นะพระเนนลูกหลานทุกองนะเ่ามาทั้งทีถึงจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นกว่าเถอะนะก็ให้เพียงแต่รู้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นขนละอ่านกันเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิด ในเมื่อเชื่อมั่นตายแล้วเกิดเราจะไม่ทำความชั่วทิงสิ่งไหนที่มันชั่วเราจะไม่ทำเพราะตายแล้วเกิดอีก เ, อเมื่อเราทำความชั่วแล้วความชั่วจะตามไปให้ผลเกิดภพนาชาติหน้ า, าหูว ห, หนวกตาบอดบ้าใบเป็นคนขนหัวเงา่าโง่เง่าเตาตุน เ, เป็นคนพิกลพิการเป็นคนทุกยากอนาถานะเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วให้ผลเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้เราเราภาวนาเราจิตใจของเราเน่งสงบแล้ว กายกับใจใจกับกายรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยแตกตายสลายแนี่ยแต่ใจคือนามธรรมดวงนั้นเนี่ยออกไปกอพบขอชาติไปหาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปภายภาคหน้านี่แหละเรารู้เพียงแค่นี้เราก็มั่นใจพอมั่นใจเราเราจะไม่ทำสิ่งที่มันชั่วเราจะไม่ทาเลยคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วเราจะไม่ทำเลยเราจะทำแต่สิ่งที่มันดีคิดดีทาดีพูดดีนั่นแหละ อนาคตของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะพระเนรูกหลานนะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก